ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัสสัตตานางโ ห, ต, หตุสุขิตาโหนตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกส windy, ่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากาันเทิน